จิตใจของเราแบบเดียดววงเ่งภาวนาแบบนันมันลองจำทิศจำทิขององนั้นรายอย่างนั้นองค์น้นรายอย่างนู้นมนจะดีจะยุตเกิดถ้าดุจเราเคย อยากผลอยากประโยชนอยากอยานะมก็เ <c ười> ้งเรื่องของเราไผลอะไรปรน์อะไรเราก็ต้องท้งเของเราสงสัยัอยานน่าจะข่าอยาเขาตกุกอยาันกุกอยากนี้ตลอดเาตหน่ความกอ้าใจยาเห็นอะไรอะไรเกิดขึ้น แต at at at <c oughs> ่เราเคทำอะไรภาวนาอะไรจะต้องใส่ใจภาวนาอะไรถูกหอผิดการตื่นเชื่อใจตัวตัวทุกคำพูดของครูของอาจารย์หรืของทางปฏิบัติการภาวนากะโดดติดเปจนส่วนใหบครูอาจารย์ที่สหรับตำราสอนเยอ เรื่องอากาเรื่องของตายเป็นปัญหาใหญ่ทั่วมนุษย์ด้วยตัดทัวไปหลงยึกถือลาภตัญหาเกิดขึ้นจากตายหรืความยึกถือมันเกิดขึนจากเรื่องอื่ตาเห็นจีตชอบเมาันอยากจะเกิด ราาตังหะตามจำหนักมีคตามอยากได้ับผมติดใจในหอในยุนงดีสมัคอยากเกิดตามโดสดเพื่อนเรื่องถูกในนั้นแตนั้นการที่เจมานะัดำ้วยที่จางงนะเรื่องของตาจึงเป็นการภาวานาทำลายที่เอ ตึงมีอยู่ในตใจของตัวตายนึ้ปกติลอ้เคยคิดที่จะรั่งที่จะิั่งบอกยิ้มเถินยิ้มไม่เห็นตามเป็นจริงคือหลงหลังเพราะายของพวกเราปวกไปในวานยิ้มายเป็นห่าเหมือนสัมสับุทุกข์หักสาบสีดินน้ำหลงไป หรืออาศาัยยืนยันสื่อถึงาดเหตุนอกจากนั้นในส่วนใหญ่ครูอาจารย์ผื้ทเคยแนะนสอนถ้น า, า, า, นทนาที่ทททเจรณาสมมติฐานเจรณาอุปาอธปัตติเจนาตามทางจินขอ ง, งมันในขาดขันจิตใว่วาใจนว้ในี้เป็นรูปเป็รคำจิตใจของเราสองจิตเป็นรูปยังเหมือนล่ารู การปิดข้อก็กำหัดดีๆเหมือใดจต้องพิจารณาแจกไข่สอดหวานจิตใจที่หลงหลเสอให้หดไปิจารณาจนคอพิจารณาผนเลควันหนังนมจะดุพิจารณได้ไหมแต่พิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจรงข้างหน้าจนจิตยอมจำนนอเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างอื่ทุกสิทุกส่วนในเือในกายของเร า, าไม่วายู่ที่หลับขาดมันมีอะไรสวยกดเนอขึ้นมามนีอะไรเสื่อมหมอนส่วนดงทุกสิ้นทุกส่วนประกอบน่าหนเหมนยังกับดิบปูแต่ของภายนอสิ่งเรามานืนหอง ตลอดที่อยคืออาไส้ขนาดาจะอาไส้่ใดทนั้นจะเกิดปฏิปุู้พราะายเป็นของปฏิปุ้นกายเป็นอาชุกคะคือของงานงานที่ไหนมันงานตายของมนุษย์หาเรายกแยะดูไอี่คือไหนจะเป็นที่งาน นอกจากทำหลวงท้องใจแต่สงคัญนั่นหมว่าเสืออย่นงงานยหางนี้ชาพิพีนาใหญ่แยะกันจริงๆเหงื่อท้องใจในวัยหนุ่มวัชาเป็นของปลุกบลกรั่วไหลออกมาทางหูทางตาทางปากตัวตัวเขาเรียกว่าขี้ใช่ไหม มันมีอะไรเป็นของธรรมธรรมชาตเป็นเทศเป็นสองเป็นของปฏิปุ้นด่วยกันแปว่าใทรทั้งหมดเป็นอย่างนะคือเรามองเห็นกันยเขินยังหนั ง, งหุ่นห่ อ, อไว้นุ่นนงนนนหนังคือเราหลงก่อนยุทธในหัวเราุูเราออกไปมันีมากกเท่าไ เลืเลี้ยงลำเลียงเรื่องออกมาในหน้าดูไปดูปทนาจึงมันเป็นอย่างนั้นในขานไมขาดทพวกเรายึดมักนบอกเขาในที่เจนาตามสภาวะของมันตามจริงจริงของมันเราเลยจะหลงขาดหลงขันหวาสวยวานงามติดข้อยึดถือตำาหน่งยินดีเกิดึ้น หาที่นาเห็นตามเป็จริงจึงจิตยอมจำนนปตะจักทักเกนอย่างนะเราเป็นหยาบอะไรเขาก็เป็นหยาบนะปฏิกูนเหมือนกันข้องปฏิกูนใช่แล้วดีดีใช่แล้วชอบใจนี่มันไม่เห็นจึงหลงไหลจึงจิตพ้อจึงกำหนัจิงดีไม่ว่าตั้งแก่ในมื่อในตัวของผีสวยงามๆดี มีรสดีอย่างอาหารเยี il, <Yes. S 1> ga, ่ยงเราเอาขอาไปในปากเกลียวสูกดอกน้ำลายหรืออะไรในปักของเราหมุนตามต่างๆทายออกมาเป็อย่างไรหาเราเห็นกระจากทัดใจอย่างนั้นก็ไม่สามารถดึมเข้าไปคือเราหลงในรสแล้วไม่คิดคิดจะเล่นา วันที่ผมด้วยตัญหาเดือยคางอยากหาขึ้นพิจารนาเห็นว่าธาตุขอันนี้เป็นของปจิูุปเป็นของสกปรกดูเห็นตามเป็นจริงเาอย่างไรเขาอย่างนั้นตามนัณจิตเคยมีในใจตกรถลงไปหมดลงไปห้อยลงไปใจ่เจารณาจนถึง มันดมันขอยมันเห็นเป็นจริงแต่พิจารณาเพียงครั้งเดียวสอครั้งว่าเราเห็นอย่างนั้นแต่จิตใจเร า, ย, ายังเล็กมากหลงไหลยังกำลังพอใจในรูปอยู่นั้นยังไม่พอเพราะยังกำลังอยู่ทำจนมันพอมันพอเป็นอย่างไรจะไปจากซึ่งในจิตในใจของตัวเหมือนกันกับทานอาหารมันพอเป็นอย่างไรถึงอาหารจะยัง เต็มช่วยเต็มตารอยู่ก่อตาแต่ถ้าดฉันมันพ อ, อมันพอสามาถ่จะทำไรมีจิตใจเมื่อมันพอในเรห้รู้มันจะรู้จะเข้าใจเป็นปัญหาอันหนึ่งจึงนัดปฏิบัติจะรู้จะเข้าใจให้ตัวปัญหาอันนี้จะไปถามจะได้ถามนักศึกษากหรับกํารา ไม่สามารถคือแก่ไขได้ไวจิดหมดราคาตันหาหมดตอนไหนจะเป็นอย่างไรจิุดป่อยยังลูกคนที่รู้เห็นตามเป็นจริงทางจิตใจจะต่อใม่ถูเพราะตำราท่ า, านเล่าุูละเอียดในขอน้อนี้เป็นปัญหาสำหลับ วัดจิตวัดใจสองคนปรากฏขึ้นไปคือแบบยำจิตความอยอางไรให้ที่เจรนาจนให้มันถึงฐานของมันมันพอตัวแล้วมันจะไหนหรอยอมทิ่เจรนาจะที่ที่เจรนาทำมาเพราะสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาา้าใจชัดเลยมันมเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะเห็น อต่เป็นของปฏิปุณเท่านั้นถูกไปเห็นของปฏิปูณคือไทยใทยไปสมมตมันหมายเขาเหล่านั้นเขาว่าขเขาปฏิปลณได้ไหมจะเข้าใจเพราะการปฏิบัติของตัวดันั้นพวกเราท่านจึง ค, ควรที่จะนากายเป็นพื้นฐานตั้งหลับใจที่จะกล้าออกไป เจรนาไปจิตใจมันละเอียดจิตใจมันเบาสบายแยบคลายไปในตัวนิสัยแบบในตัวแทนเรื่องข่างกายขึ้นไม่ได้หัวใจมันผิดข้อใจมันชอบคอใจมันหลงไหลต่อพิจารณากันทั่วไปจะเป็นนิสัยอะไรกต่องพิจารณากันเพื่รู้จักเรื่องร่างกายชัดเจน จะปล่อยวางเรือ่องพุ่มการ น, น, านาการเรื่องงานมาทำคือทางระเอียบต่อไปมันเป็นไปเองหมดเชื่อส่วนนี้มีเชื่ออยู่ที่ไหนเงื่อนไฟต้องกดจุดไปจุดไปจนถึงจุดจบหมดเชื่อทุกสิ่งทุก อ, อย่างมันก็ดับไปเองหย่อนลงไป ยังเชื้ออยู่ที่ไหนมันก็ยังม่อยู่ดยู่จิตใจของพวกเราท่าน้าวนาตัวทำนองเดียวกันทำให้มันพอแต่ี่วันกี่คืนกี่ีี่เดือนมันยังไม่พอต่อพิจารณาอยู่นะไม่มีอะไรในเรื่องของายจิตสมมติว่าหญิงยชยจะเป็นของสวยของงามจะเป็นขอดีของดี ทวนแต่ของเน่าของเหม็นของสติปูนด้วยกันเจรนาเข้าไปทิงภายในตัดไปใส่ภูมิธาเราออกมาข้างนอกตับข้างนอกเข้าไปทางในเราจะเห็นเป็นอย่างไรจะรักไหมจะชอบไหมใจดีดีไหมคนที่เฉยๆนองงานสะาดตัด้างในออกมาข้างนอก กับเออกไปทางในจะเป็นอยางไรทุกคนเชื่อมั่นอาจจะในมีความพอใจในความในความินดีเพราะทางใ น, น, นอาใจะขอในง่าดาูที่ใจหน้าให้รู้ให้พอใจอย่าไปหลงติงทผิวเผินจิตใจหะมาเดี๋ยวที่เจนาอย่าทายแล้วไปหลงหลงไปตาม สมุทรลงไปตามกามหาความอยากของใจงหาที่แยนาตามเป็นจริงโื่ออาจโดยทำผมจิดทิ้งที่แยนาฮมูลฐานของมันจริงจังมันจะปล่อยว่าละของตามเยอะมากคนติตทำได้ฝึกได้มีความฝุกความสบายเขาคิดว่า เป็นปลาเป็ น, นสู้วิเศษบอกวิเศษเพราะท่านในสิดไม่พอท่านมีความรู้ความเห็นเยนยาน ะ, าะมีคามสงบมีความสบายภายในใจของท่านในเ น, ในืองกุกที่ไม่เคยที่เจรนาไม่เคยศึกษาไม่เคยภาวนาเห็นอะไรเขา้า ก็สิดยึดตัวเพราะตามสองถ่ยเอาความยินยีย่อใจมันีขาดทุจริตตัวของตัวรู้เห็นเป็นจริงว่ากายอันนี้ประกอบขึ้นโดยธาตุทั้งสี่ยินกวดีน้ำกวดีลงกว่าดีไฟกว่าดีสิ่งเหล่านี้ไม่มีความหายอะไร เขาในเนื้เขาว่าเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นยินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอย่างกมุตเหล่านี้ออกไปจากจิตถืบไปวทธิถึจากลมปากของผู้อยากตาปวดมาผ่านท้าว่ะผ่านเท้าสมุตอย่างนั้นก็อตมุตกันไปตามพิงแล้วพิงเหล่านี้เป็นธรรมะธรรมะขันอันหนึ่งจึงก่อตัมเิ ขาไม่มีความดีๆไม่มีความพอใจไม่มีการหลงไหลในการเลืองของเรานาทีที่เขาเกิดขึ้นแปลปวนแตกสลายอย่างไรเพราะเคยละเนี่ยแต่ฤทธิ์นาทีเดียวเราจะหน้าจะนอนจะคุณจะดื่มหรือจะอยู่โดยไม่ปวดใจทําแปลปวนเปลี่ยนแปลงท้องตา เขาจะเป็นไปอยู่อยากนะเพราะไม่เคยหลงไหลแต่จะเป็นไปจากตีดทํางานติดเข้ามาด้วยไปจนถึงวันแตกสลายอันนจังท่านกยังลงหายใจอยู่อันนจาด้วยไปจนกระทั่งสลายตัวลงไปเป็นผ่าเดิมเข้ามนจึงจะหมดเรื่อ มันเป็นอยู่อย่างนั้นเลืองพ่อขาดพ่อขาดไปติดคดล่วหลงเกเในเรื่องเหล่านี้เพราะทาในเดที่นาแยบขานแล้วเลือกไปล่วงหลงไปถึพ่อจึงเกิดทุกข์ใจไปยึดใจไปถือว่าเขาว่าเรา ใจมันเป็นตัวข้องตัวเลยได้เกาะไปอาศัยเรื่องขาดเรืองขเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตละเอียดลงไปจะพิเรนถึงเดืองของใจรักขานตึงออกมาเมื่อใดจะเพียบเมื่อใดทันทุกระยะทุกเวลาไม่ได้หลงไหลออกไปเหมือนจุตธรรมดาคนฝึกฝึกษาภาวนาใหม่ ด้วยไงแต่รับคามละเอียดละออบางทีนั่งภามาบอกําหนดถึงนั้นถึงนี้ตัวอะไรยะแล้วก็หลหนีลอยหนไปสู่สัญญาอารมณ์อื่นจนอิ่มจนพอปรารนาเลยงประว่าดี๋ยวานาแต่ทำทนมันไม่ยืนอยู่ไม่ขอเก็บที่เรามูเจตนา มันหลายไปเืออารมณ์มันเองจนมันเบือมันพอกลับมาก็เลยหรือว่าพอสมควรนะวันไหม่ครับวันนี้สมควยนะหลับนอนน้อยากญ่เป็น่าง่ะใจมันเถอะหรือบางทีมีสติก็เอาไม่อยู่เพราะอํำนาจของปิฎกันหามีกําลังแรงกว่าอํานาจของสปิฎปัญญาของอัตของธํา ลากไปดึงไปงชา้าๆก็ไม่พอแต่มันก็ดึงไปได้เพราะกำลังมันแรงรู้อยู่ว่ามันตัวมันเสียมันเป็นอากขมแต่ก็บางครับงก็ไม่ได้คือกำลังยังไม่พอพยายามทำกนนนันอย่างจริงจังบางครับจนให้มันอยู่ไม่เหลือไม่ใส กจิตใจชาติจิมันเป็นทุกคนทานหาอะไรมีชีวิตตัณหาไ ม, มีมานณ์ที่ผิดมีเนื้ออิชาวตาทานนั่นก็ไม่ใลยไม่เกิดคนที่เกิดมันเหมือนกันมีสงบูรณ์ไมว่าแต่แกพวกเราพระพุทธเจ้าคนนี้ราค้ตัณหาไม่มีทำไมเสียงไดลาหุ่นหลัก็ต้องมี แต่ท่านต่อสู้ท่านพิจะะารณาสู่กันจริงๆแน่ใจในวันใดปวันหนึ่งจะต้องถึงจุดจุดทองมันมันไม่แตกไม่พังเหลือโครงการอาศัายความอดความคนอาศัายความขาดความเพียรถึวเวลามันว่าต่างจริงๆเหลือราคาปําหา ก็เหมือนไฟธรรมดาของเราเ น, นี่ยไฟธรรมดาทำเงี้้าไม่ไอเดเรื่ก ว, ว่าลำมนันแห้งสดๆมันก็ไมไม่ไปได้เพราะไฟมันก้าสา ม, มารถที่จะเผาผานได้ทั้งไม้สดไม้แห้งถ้าหาไฟมันในกล้าจะเปเอาไม้สดไปใส่ใ น, นกระดาษ ยังไงก็ราคะตัณหาขท่นอนเดียวกันนอนนั่กล้ามันเป็นไปตำหนักพอใจยินดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ราคะตัณหาจะกล้าอย่างนะั้นก็เพราะอาศัยเราปรหมาณในที่เจริญน่ะอัดคเมื่อมันกเป็นที่ถึงเราแต่พอใจจะอาศัยอั ท, ที่นิดหน่อยเหมือนเอาน้ จำ ม, มือเดียวไปดักฟองไปใหญ่ๆไม่นกระดับไเลยนะต่อน้ําเข้าไปต่อไปตากเข้าไปตากเข้าไปไปต่อไปยกยอดลงไปต้องมีจุดกระดับมีการเป็นการปรุงท้องใจทุกคนต่อขาดเรื่องเหล่า น, นี้ในถามเพื่อก่อนไชาตาประมาณขนาดไห น, น ความที่เราอยู่ธรรมดาธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดว่าเป็นของจําเป็นอะไรเมื่อมันถึงเรื่องความจําเป็นมีมาเราก็เลยมีปัญญาที่จะแกมันมีในการใดก็สมัยหนึ่งเรื่องอาหารเราทําอยู่เมื่อเวลาหิวมาเมื่อได้ก็ทานไปก็เห็นจาเป็นขนาดไหนแต่เมื่อเราบยุดจริงจังอาหารก็เป็นของสำคัญ ทำให้อยากให้หิวเห็นเอาแมากเห็นอะไรที่ม่ควรอยากมันก็อยากคิดเพราะถาขันมันพอมันต่อการมีจิตใจของคนที่มีทีเลตตันหาว่ากว่าทำนองเดียวกันไม่ได้ถือไว้ไม่ยด้ถือรูปเพราะจะให้มันเป็นรูปตรงข้าม มันชอบมันพอมันยินดีทำไมเพราะมันเ่าเป็นสิมันเคยเป็นเคยเห็น้าสติไม่ดีความเพียรไม่ดีมันแตกมันพังแล้วมันเห็นแบบเดือวกิ๊ใสแต่เราผูกผูกใจเอาจีิงงอาจารย์เอ้าเรีนอตาเราไปิดใต่อสู มันจะขึ้นขนาดไหนมันจะเป็นขนาดไหนมันจะแตกออกจากตัวของเราไปอย่างไรใส่เสืนอผ้าทำเพียนตัง้งมั่นลงไปงงยยงจินตนาการทำกินทําจตัดอาหารตัดนอนชอบมันจะขนาดไหนเกี่อวใจที่มันปรุงเกี่ยวราคาอย่างนะั้นทำกันจริงจริงยังจรงเพราะไม่เหลือวิสัย มันเกิดได้มันดับได้ดูงตัวอย่างที่งที่เกิดมันก็ไม่ดับสิ่งที่ในเกิดไม่ดับคืออะไรพวกเราท่านยังไม่เห็นเพราะฝึกหัดปฏิบัติอย่างไม่ถี่แต่เราจะต้องผ่านสิ่งที่เกิดที่ดับไปเสื้อก่อนจึงจะได้เห็นสิ่งที่ไมเกิดไม่ดับสิ่งที่ในวั่นไม่ไว้สิ่งที่ไม่เตี้ยนม่ เ, ม Все, wij, ม เ, มเียง ที่อี่มันมีเรื่องเวลามันมีทุกมดทั้งโลกสี่พระพุทธเจา้าเขหเรื่องราวทั้งหลายเด่นพัทางมันเดินไปนี้ถึงลำบากยากเย็นขนาดไหนเราก็ต้องตั้งใจประเพื่อปฏิบัติที่นี้พิจรนารนณาธรรมาของพระพุทธเจา้ามันอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นทำจง ม, มันพอพิจารณาให้มัพอ สติปัฏฐานตายาลูกปัจนาสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติมิจฉิเจรนาอยู่นะคนที่ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติในสติปัฏฐานสำหรับตำราสีพระพุทธเจ้ารับรองไว้ว่าคนนั้นอย่างนานไม่เลยเจ็ดสีเจ็ดเดือนหรือเก็ดวัน จะมีสถิตเป็นสองคือหนึ่งจะต้องเป็นพระอาหารสองจะต้องเป็นพาะานาคไม่มีเส้นอื่นที่จะเป็นแต่กินาคาหรือโซดาหรือผลไม้มีถ้าหากรักษาสถิตคุ้มครองคิดพิจารณาปฏิบัติในสถิประธานสิบจริงจังมีส่วนเราท่านกเคยได้ยินในฟังเคยคิดพิจารณาแต่มันไม่สืบต่อได้ส่วนระยะ แล้วไปหาให้ไปเหตุนั้นใจนมันเึ้งเม็เป็นอริยชนเป็นอนาชาหรืออาหารดางต่อพิจารณาพื้นข่านมันติดต่อมันติดต่อจริงจริงยังจังไม่ว่าพูดไม่ว่าเดินไม่ว่าทำอะไรแต่แติดตับคำจะต้องประจำกกันอย่างนั้นเป็นความเทียนในตัวข้อมันโดยอัตโนมัติไม่ต้อหลายบับงคับบัญชา เมือนเราทำธรรมดาเหมือนตนมันเป็นไปเองขั้นนั้นแหละขันะน้นพิจารณาสติปัญหาจิตต่อกันและจิตเข้าขั้นนั้นก็ไม่ใช่จิตที่จะมาโง่โกวลวุ่นวายกับตั้ญญาโลนน์แต่จะเข้าขั้นนั้นแลบบ้วได้จะต้องอาศัยนี้พิจารณาไป ไม่ลดละอุตสาหพยายามบังชับัญชาทุณพิจัยนาเรื่องหยาบๆไปก่อนมันจะเป็นไปเองแต่มีใครที่จะไม่เห็นไม่เป็นจะต้องเป็นว่าทางสายนี้มันไปไปนี้จะมีเยียไปที่อื่นไม่ได้บัรญาเปของสังขารจะสอน ตัวอยู่สม่ำเสมอมันวกคิดในเรื่องอะไรจะต้องมีสติมีปัญญารักษาและแนะสอนเรื่องกายจึงเป็นของสำคัญที่สงสวนเราถ่ายจากที่นี้ที่เจริญนาออกจากกายจะเรื่องเวทานาคามสุขคามทุกข์เฉยมันมีอยู่ใน ใจในจิตของเราเรื่องเหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญทำให้จิตใจหลงยึดถือชอบพอหรือลำเอียงอาแคติเหมยินดีรู้เป็นไปต่างๆในเรื่องของเวชนากรกะ ไม่รู้เห็นเดือดพ้องเวทนาตามจริงจรือว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีในเราเรามีในเวทนามันชืออย่างนั้นเพรา ะ, ยาร แ, ะแยาไม่ได้แยกออกจากกันทุกคนจะต้องเต็นไปจิตประกอบในเดือดพองเวทนาเหตุ น, นั้นเมื่อเราทิ้งที่เจรณาสุดภาวนาของจิงจังเวทนามันเป็นอย่างไร ทุกเขวเวทนาในระยะที่เรามีาสติเรามีความเพียรหนึ่งมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนพิจาราให้แยกหาต่อสู้ให้ถึงที่เอาใจชนะให้ได้ เ, เวลาจะตายจะมีเวทนามาจากที่ไหนนอกจากเวทนาของกายทั้งใจที่เราเห็นอยู่เราเราจะไปหลงว่าเราจะตายคิดตายถึอย่างไรว่เรื่องของเวทนาเป็นอย่างไรเดี๋ยพิจารณามาเนาะ กิดความจำเจนเกิดมีมันเป็นประโยชน์สิทธิที่นี้พี่เจรณาอยู่ทธามิสิทธาใจเคยรู้เห็นตามเป็นจริงมันสะดวกมันสมายข่าวยุดธรรมดามันบอกพอเจนพอไปความถูกมันมีมนุษย์เราถึงพอใจถ้ามันคอยู่สม่ำเสนอตัวไม่มีใครที่อยากจะมีชีวิต่อไป เนี่ยความสุขมันมีความสุขก็อุขพกอีนี่จบาททั้งสี่นักมากเหนยเหนือยก่หลับนอนเพี้ยเดินเพี้ยเดินเพียเดืนมาเดินมากอมาหนั่งานอนเพี้ยเยนกันอยู่อย่างนั้นเรีบททั้งสี่เลยปิดยึดทุ่ไวุ้คู้เลยในประจักษ์ชัดเจนในจิตในใจแต่เนื่อทุงคราวทุงสมัยมันแฉะจะตาจริงจัง มันเปลี่ยนไม่ได้แข่งข า, อาอาไย้ว่าทุกส่วนยกไม่ได้ลุกไม่ขึ้นเวลาอย่างนั้นจิตใจที่ไห น, ไนจะพิจารณาขาดขันพิจารณาอัดคำเพียนพอจะหลงจึงเป็นเรื่องจำเป็ น, รรเทนที่จะฝึกอบรมสัวพิวจารณาอัดคำของพระไตรปิฎาตำราภาสาให้เห็นตาเต็นจริงทุ้อย่าง น่าจะมีทางตรงใส่จิตที่นั้นคิดนดดั้นคุยเวลาต้องงดมันหมายนี่ก็เป็นอันหนึ่งจึงจะควรกำหนดควรพิจนาควรทำลายมุ่งใส่เพราะจิดเหล่านี้ไม่ใช่จิดบริสุทธิถ้าจิตอันนี้เป็นจิดบริสุทธิ์ทุกคนมันก็ตรงบริสุทธ หยุยังหอหุ่มด้วยคิเลสตัณหาในที่ไดนน์เหลื่องขอมันให้กวดถึงเริมต้นกำหนดนร้เห็นเป็นขึ้นในสิ่งที่เราชอบเราไม่เคยเห็นเคยเจอพอตื่นแจ้งยินดีตื่นใจยิดีเติดเติรในตามเกณน์ความเห็นของตัวแต่ทาไปทำไป สิ่เหล่านั้นมันเสื่อมมันหมดไปแยกใจมันเป็นความเสื่อมความเจริญมันมีเสื่อภาวานาเหตุนั้นเราท่านผูนักภาวานาใหคิดว่าสิ่งได้เกิดได้สิงนั้นดับได้เมื่อเวลาเกิดมันมีใคร หามาให้ทำสว่างสวัยท้องใจทำสงบเยือกเย็นท้องใจเกิดขึ้นเกินขึ้นจากการแตะธรรมบอกเห็นของตัวเองเมื่อมันหายไปเสื่อมไปไถ่เลาะมาขโมยของเราไปทําไมมันถึงเสื่อมไปได้เสียไปทําไมถึงเสียใจไถ่เอกไปจากเราต่อทุจรณาหลายข้างหลายหนจนจิต รู้เห็นประจักษ์ชัดเจนในตัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีดับไนดะ้สิ่งนี้มันเป็นอนิจจเราไปยึดไปถือมันเกิดทุกหน้าที่ของตัวเคยกระทำบาเพ็ญย่างไว้แต่ทำบําเพ็ญไปอย่าไปเสียใจในของเสียหายไปอย่าไปมีใจในของเี่ยใไม่มาถ ท, ทีนี้พิจารณาตามหน้าที่ของตัว เหมือนกันกับทานอาหารไม่ต้องการความอิม่มมันอิ่มเองถา่าทานลงไปทานลงไปความหิวมันหมดไปเองไม่อิ่มเกิดขึ้นทันใดการพิจารณาภาวนาทางใจหน้าที่ของเราเคยทาําเรื่องเสื่มอมหรือจะ เ, เลยอย่าไปคิคไดไปขาดใจหมาทาําอยู่ตามหน้าที่ของเราทุกวันที่เวลัง มันจะเฉื่อยเป็นเหยื่อพองมันมันจะเจริญเป็นเหยื้อพวกมันหน้าจีตพวงเราจะพิจารณาอะไรเคยทามาอย่างไรทํากันอยู่อย่างนั้นจุดก็เลยสม่ำเสมอไม่ได้เนียใจได้ตามความเฉื่อมาเดี๋ยวเพิเชินหลงไหลไปตามความเจริญหน้ามันจะเสมอครับคือความละเอียดของใจปัญญาเนี่ยสอนตัวรู้ขึ้นเป็นขึ้ เก้นขึ้นจากการจะทำบางสิ่งเมื่อมันดีก็เพื่อเทินจะลืมตัวเรื่อมันช่วย้ายใจน้อยเงาหนึงจิตยังไม่สม่าเสมอจิตยังเป็นไปตามเ่องของที่เหลตันหาถ้าจิตสม่าเสมอเห็นเป็นธรรมได้จิตของท้าวนทันยะ ทีว่าสิ่งใดสิ่ึงมีคืางเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเปธรรมดาไปจนเห็นแบบนี้เห็นจริงจริงยังใจไนสิในจํามาเข้าใจเห็นจริงอย่างนะทายึดมั่นคือมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นในวารูปแต่เสียงหรืออย่างเล่าต่างน มันเกิดขึ้นด้านก็ดับได้กรมีอะไรที่จะไปทำจิตใจใยรหลงไหลรือหว่นไว้องจิตจริงๆแร้องกาได้รดวงตาให้ทำทือแต่เห็นในจิตในใจของครที่พวกเราเคยได้กระดับรอบฟังกันมาเรื่องเหล่านี้เคยพิจารณานหมือนกันแต่ทิวเผิอไม่ถึงทำเป็นจริงเกณฑ์นั้นจิตยื้ย จึงถือจึงหลงไหลในเรื่องต่างๆฝึกจนมันพอตัวในมีใครที่ไหนยอยื่นจะมาฝึกให้พระพุทธเจ้ า, าองค์ใดก็มาเพียงแต่แม่สอนของ น, นางหากท่านสามารถที่จะฝึกให้เราได้แล้วท่านจะหอบเที่ยวไปหมดในนี้สันหลกตัวใดจะมาป้องติดอยู่ไหนว่าจะต้องสารต่อไป าะมีพระเดตตารเป็นที่อยากจะช่วยเหลือสัดว์ือผูกข้องสิทธให้ลุดจากพวกของกิเลสปัญหาแต่เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องทรรมะถึงเรื่องใจเรื่องของกายก็เหมือนกันใครเราจะไปทางเผื่อกันได้ใครทานกับคนนั้นอิ่ม ถึงจะมีอาหารเขาจับมาให้มากขนาดไหนถ้าคนให้หรือคนนั้นได้รับอานนั่นคนหิวอีกอย่างถ้าคนนั่งรับทานคนอื่นจากมาให้นั่นคนสะดวกส บ, บายนี่เขาพูดใเจ้าก็คือคูยจับอาหารของใจให้คนหัวไปให้สาววากหัวไปพอทันจับมาให้การบอกอย่างไรแนะอย่างไรคนนั้น กอดทาตามเหมือนทานอาหารจิตใจของคนที่ทําตามก็เลยรู้เห็นเด็นชัดขึ้นเป็นจริงขึ้นจนอิ่มพอในเหลืองของโลกละฝอนตามจิตของของใจอใจเนี่ยทม่เป็นาจจะไ้รับรองว่าเป็นสาว มาเป็นอาหารหันต์อาหารหันต์ขั่นเองก่อสร้าก็กอถอใจต่อความเป็นความเห็นของใจเป็นปัจเจกต่างผู้รู้เห็นถึงนทีสุดไม่มีอะไรที่จะร้องไห้ตัวถึงแม้พระพุทธเจ้าจะยังตรงมีชีวิตอยู่ก็เป็นไปทุน่นถาม พอเหตุไดพอถามแล้วพอจะตอบคําเดียวกันอย่างเช่ที่จะเป็นทูนถามสมมติใจจังหรืหลือห้องจิตวัดีไปฝนตกกวไปแอบหรือสายตาถ้าคันท่าก็ดีฝนตกมากว่าพิจารณาอยู่นะนะมันตกจากตายตาลงมาตั้งใจตองขึ้นมาแล้วก็แตกกระายไปพิจารณานะเป็นเอา เจอดขึ้นจากนะ้ดับไปก็เป็นนะไม่เป็นที่อื่นกำหนดอยู่นะจิตของท่านตัวใดหลุดป้อนจากที่เหียปันหาฝนตกหยุดทาำตกตับไปในสิ่งเป็นากหูเขาพูดช่เพราะเห็นได้กพราะไปถามนะทุนแล้วก็อยากพูดแบบเดียวก็เรารู้เราเห็นอยู่นี้จะไปทูนใช้เวลาทำไมนี่ใจที่รู้เห็นตามเป็นทีิอย่างนั้นมันไม่มีการองย อกเกาอาใจชัดเจนหาเรื่องทสายมันใชอเื่องจริงมันจริ ง, งต้องส่ยแต่เรื่องจริงเรามั่ไม่มีต้องส่ยแา่มันพอตัวจริงจังเป็นจริงจังตรงมีอะไรที่เดีย๋ยวตอ่องส่การกะเพื่อปฏิบัติเป็นการที่ตัว ร, รู้เองยันเอ ง, เอ ง, เองไปตามระยะตามขั้ หยุดากันคิดพิจารณายุดพากันศึกษาจะทาบังเพ็ิงแต่คนอื่นจะมาทำให้เป็นเหลือของพวกเราเพราะคนเจ้าก็จะบอกทางอยากชีวะหากเราไม่ทำเลยล้วล่อยีห้ทางอื่นจะช่วยเหลือเราได้บังเพลินทำสุขทำทุกข์ของโลกเราบอกเคยเห็นเป็นอย่างไรพิจารณา ในจิตในใจอย่าไปหลงไหลเสจิดเพลินติดข้อค่ ะ, ะีเจรณาอาธรรมะจะมีวันเวลาขอดขอนในจิดเบาสบายปล่อยวางเรื่อยๆใส่เราไม่อาศัยธรรมอาศัยเกลียดตันหาทางโลกมันกวนน้ำวันที่จะหลงไหลน้ำวันที่จะจิดบางจิตใจ มือบนอนุภาคเลื่อยไปเหมือนคนตาบอดกูเลยเมาอว่าไม่มีแสงสว่างเลยตาบอมบกมาจนกำเนิดไม่เคยเห็นแสงสว่างสักทีแล้วก็ว่านั่นภูเขาอันตนหนั่รูปนั้นรูปนี้นั่นก็ไม่เห็นนันก็ไม่เชื่อแต่ตนดี องมีทางสงสมีสิดใจของพวกเราแข่งกับน้นกันหาไปหม้งเจ็นติดตามเรื่องอารมณ์วารมณกิเลสปันหาองมีวานเวลาที่จะพบแสงสว่างพบความสุขความสงบของใจจะเดือร้อนหงุ่นวิดสาร์หมองเป็นขวเป็นติดรับตัวไปเรื่อยไปเมาใจใหญ่ มีแต ta, ่หมดูหมอดจะไปตกเหวตกหมอดที่ไหนในคาติแต่พอเป็นยทางคนกาดีหูดีเดากใครเราจะไปช่วยเขาได้ก็ปล่อยไปตามเลี้ยขาตามๆเขาฉะนั้นพวกเรา้งมีหูมีตามีจิตมีใจใส่ี่ติตตามเดี๋ยวธรรมะขอจงมาที่วิทาลยนาถึงจะสอนเขาไม่ได้ บอกเขาม่อยู่กว็เอาจิตเอาใจพวกเราให้อยู่ให้สบาเราเมตตาพขาไม่ลับจะเป็นผลกุณาเขาได้อย่างไรมุขตาจะเป็นไฟยีใจกับเขานั้งแต่จะเลี้ยงก็ต้องปล่อยซื้อเดือขาตามยะขาตามของเขาเราอยู่สบายเพียงพออย่าซ้อนตัวอย่างนั้นธรรมะ เสอธิบายมานี้เป็นทางภาวนาเป็นทางที่พวกเราท่านจะควรศึกษานำมากบปฏิบัติเกิดจำกัดถี่ที่ชั่วในจิตในใจของตัวให้ตกไปบำเพ็ัสถึส ง, ทงที่นี้ให้เทมีปูนซึ่งการอธิบายธรรมะผมเห็นแบบขอต้องควรเจริละขอจะศึกษาธรรมะ